ฟังธรมกันน่งเป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติเรามาํางานเหมือนกันคือปฏิบัติธรรมงให้เด็กฟังเรื่องงานการงานที่เราทำอยู่นี่การปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเอากายเอาใจเป็นหลักสูตร ให้มีสติเป็นตัวศึกษาจึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อมีสติไปในกายไปในจิตใจก็จะเห็นเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากับใจมากมายอย่าออกมาเป็นปัญหา สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นอย่าหาคําตอบอย่าพึ่งเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายให้มีสติทวนไปใหรู้สึกตัวเวลาปฏิบัติเนี่ยหัดตนสอนตนอย่างนี้ให้รู้สึกตัวกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้น เป็นควา ม, มงม้เเงาหอนอนอย่าถือว่าเป็นปัญหาทิ้งเหล่านี้แหละจะทำให้เราเกิดปัญญาสูงขึ้นไปไในผ่านได้เห็นมามากอาจจะเป็นผู้เขาลูกแรกด้วยเราพริเจ้าก็โทษอย่างนี้ตัดอย่างนี้ผู้เขาลูกแรก ที่มาให้บรรลุคุณงามความดีคือนิวรณธรรมนั่นใครใครก็ผ่านตรงนี้กันทั้งนั้นเวลาปฏิบัติเวลาวิสติเปกายพวกเหมือนจนกอกแลอา ก, การคุมขังอะไรต้ว ก, ก็หาทางออกมันเป็นอิสระร่างกายนี่เป็นอิสระสาธารณะนะ อะไรมาใช่ก็ได้จิตใจก็เช่นกันอะไรมาใช่ก็ได้เวลาเรามีสติเราเป็นผู้คุมหรือว่าเป็นเจ้าของไมนะ่ให้อันอด่นมาใช้เมืต้องแย่งใช้บ้างเป็นธรรมดาจอนมาบ้างอาการต่างๆที่มันจรมา แปดหมื่นสพันอย่างเกิดขึ้นมาในกายในใจนี้ผู้มีสติไปในกาจะได้เห็นแล้วกำเนไปกรรมฐ า, านเป็นที่ตั้ง <c oughs> มีภาวนา <c oughs> ขยันอยู่ให้ขยันแข็งกระดับอาการตา่างแม้มันจะเกิดอะไรึ้นไหาก็ขยันรู้โดยรูปแบบประมฐ า, านสามัญญาบัพพะือการเคลื่อนไหวกัดอุ้นให้มันรู้สึกตัวช่วย เครื่องทุนแรักถ้าเกิดความรู้สึกตัวตการเคลื่อนไหวนี่ม่ใชจะอยู่เฉยๆมันเหมือนเกิดอยู่มืองการเราต้องเคลื่อนไหวไล่เหมือนออกไปถ้าไม่เคลื่อนไหวมันไม่ออกการความอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากับใจนี้การเคลื่อนไหวให้เป็นเคลื่อนไหวสองประชันย่อรู้สึกรละลึกได้ เ <c oughs> สมั้นเป็นไล่ยุงไล่กัดออกจากกายนั่นละความเจ็บก็อาจจะหายไปแต่ว่าการไล่ยุงเป็นสัญชาติญาณของกายหรือวิญญาณาธาตุของกายถ้าอย่าไว้เยี่ยมน้ำก็มันก็ถกออกหยุดแต่ว่า อันกายอันใจที่มันเป็นนาการต่างๆมันเคยใช่เป็นความหลงเป็นความหลงความโกรธเป็นความโกรธความทุกข์เป็นความทุกข์มันมาอย่างนั้นนานแล้วเอตัาหาลาคาเป็นเจตัาหาลาคามาอย่างนั้นเราก็รับใช่เป็นอย่างนั้นมานานแล้ว เวลามันหลงก็หลงปอยเวลามันโกดก็โกรธอยเวลามันทุกก็ทุกข์ไปเวลามันพอใจก็พอใจอยเวลามันไม่พอใจก็ไม่พอใจไปกับมันมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วแบบนี้เรามามีสติเป็นเจ้าของให้มีความรู้สึกตัวไปแทนซะอะไรเกิดขึ้นมาใช้ได้ทางนั้นความรู้สึกตัวนี่ ใช้ด้ทั้งนั้นรู้จึกระลึกได้ทันทีไว้ก่อนผ่านไปจากนีก่อนจะเป็นร้ายเป็นดีอย่างไรก็ผ่านไปจามนี้ก่อนอย่าเพิ่งหาคําตอบจากความคิดอย่าเพิ่ไปหาเหตุนผลมาตอบมาอ้างเหตุผลไม่ใช่จะจะทำเป็นสมมติเหตัติของแต่ละคนเกิดขึ้นไม่ใช่ปรมาจัก เจะ บ, บ, าบาัลปั้นสัจเจอันไม่เป็น อ, อื่นๆมาคืออันเดียวกันเช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องอย่างนี้แล้วก็มีจิตเวลาบันเกิดอาการขึ้นมาในคราวเดียวกันนั้นให้รู้สึกตัวสิตที่การใช่กับกายกับใจอย่างนี้หรือว่าความเป็นธรรม กายจะได้รับความเป็นธรรมจิตใจจะได้รับความเป็นธรรมไมเกิดความชอบธรรมอย่างนี้เราว่าความจริงความเท็จของจริงถ้าไม่มีสติเป็นต้นกําเนิดของผู้เจ้าของกายเจ้ขาของใจก็กา ย, ายใจก็ไม่มีความเป็นธรรมเลย รลับใช้ป่าเถือนสาธรณะจนเกินเหตุจนเป็นพาละเป็นจริตนิสัย <c oughs> หลอกขาจริตปุงแตงที่จะเกิดอาการต่างๆขึ้นโทจอจริตความโกดออกหน้าโมหะจลิตความหลัออกหน้า <c oughs> เป็นอย่างนั้น เนความพอใจไม่พอใจเด็กเสร่างหนามันออกหน้าแล้วกอเห็นลูกหูดีเียนเสียงจมูกได้กลิ่นลิ่นได้ลดกายสัมผัสใจคิดเรามาสัมผัสกันแล้วก็พอใจไม่พอใจมันออกหน้าไปแล้วมันไปแล้วบทเรียนตอร์ดี้มีค่าผู้เจ้าจึงสอนไว้มีชฉดีบรรยกาศเป็นประจม มีความเพียรเครื่องเผาเจลิอดมีสัมพันธยถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมารู้จักตัวก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อคำสอนมีมาอานแล้วสองพันถกอยปีมาแล้ว <c oughs> พระเจ้าก็ได้หัดจากนี้จึงได้เป็นพุทธเจ้าแต่เราไม่หัดจากนี้เราก็ ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนโอนไปนไปหมดเลยคนก็ไปชว น, นโลภไปชวนอบายไ ม, ไม่ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันมีสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปมีนา ม, มอุปาทานมีภพมีชาติจนความโกรธก็เป็นภพเป็นชาติ เรื่องเก่าเอามาโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกความทุกข์เรื่องเก่าก็มาทุกข์ได้ทุกข์อีกไม่มีภพภิชาติจากนี้สัตว์ดิบฉานไม่เหม็นไม่มีอย่างนี้จชนเราตีบมามขาหักไปเก็บขามันยังลืมไปแล้วมาเห็นเจ้าของก็หลอบเข้ามาหาหวัว น, น่อมสองตัวเข้ามาหาคนเพืองแต่ว่าโกรธก็เบาหน้ากันไม่ออก กายเป็นเรื่องไล่ไปเลยนี่เรววาบอกคนมันปนกันไปไม่เหมือนจัดมันจำอาไว้สัญญามันจําไว้สังขารมันปุงก็ไว้วิญญาณมันติดเรื่องนั่นไว้การปฏิบัทิธรในขันธ์หยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญเปนหมายว่าเป็นตัวเป็นตนปฏิบัติทําคือเห็น สิงท of ี่มันเกิดขึ้นรู้ฉุกระลึกได้เป็นทตาตาเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองจึงใดที่เกิดขึ้นกับกายเป็นเช่นนั่นเองจึงไดที่เกิดขึ้นกับใจเป็นเช่นนั่นเองจะมีสติจะง่ายๆอย่างนี้เรื่องเล็กเกน้อยอย่างนี้ถ้าไม่มีสติจะไม่ไหวไม่ไหว อันนี่ก็ทําได้ น, น่าเกิดทำไม่ได้ไม่ไหวยุ่งยากจนเกิดความคร่องเครียดเบื่อหน่ย า, นา ย, ายาาก็เป็นทตงตาของ่ายง่ายลื่นลื่นเบเบาไม่หนักเป็นทางแบ่งง่ายๆมันผ่านไปเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันถ้าเราไม่มีสติก็เป็นทางตันซะไปไม่ได้ เพียงแต่เจอความม่วงก็ไปไม่ได้เจอความคิดฟุ้งซ่านก็ไปไม่ได้งบกระเป๋ากลับบ้านว่าจะมาปฏิบัติอยู่เท่านั้นเท่านี้วราเจอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับด้ายกับใจก่อไม่เอาอยู่แล้วทับเป็นเป็นการหทบกระเป๋ากลับบ้าน อลวเอ า, าปปฏิบัติมชุดต้นเชุดนี่อันนั้นก็ยังไม่เช็ดอันนี้ก็ยังไม่เช็ดห่วงหน้าห่วงหลังเสี่ยวปูุกคอปอปูกศอกส <c oughs> <c oughs> นุกนะถ้ามีสติตั้งหลักเป็นสติจริงๆรู้สึกกระลึกได้จริงๆเห็นเรื่องนี่มันสนุกจะเป็นปัญญาโดยเลื่อนฐานะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆ มันได้ปัญญาจากปัญหาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ผู้เจ้าก็ไม่ตัง้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งโลกโลกกวิถีรู้แจ้งโลกเมื่อก่อนกเ็เจ็บเจ็ตายแต่ก่อนเจ็บเป็นเจ็บทุกข์เป็นทุกข์แบบนี้มันมีสติ สติสติสตินี่กลเป็นปัญญาเป็นศิญเป็นสมาธิ <c oughs> <c oughs> สินสมาธิปัญญาก็ทําให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องส บ, บองในโลกโกรธหลงไปตุน้นมันกําจัดสิญเป็นเครื่องมือศิญเป็นเครื่องกำจัดทุก วาพุทโธทุกขสาทวาตาจาวิคาตาจาวิทัสเมตตาพระพุิธเจ้าเป็นเครื่องกันแปรทุกขโมทุกขสักขาตาจาวิคาตาจาวิทัสเมพระธรรมะเจ้าเป็นเครื่องกันแทุกสังโฆทุกขักขาตาจาวิคาตาจาวิทัสเมตตาสงฆ์เจ้าเป็นเครื่องกันแปรทุกคือคุณธรรมอันนี้ งั้พระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เป็นคนโดนบาอนั่นพระพุทธเจ้าเป็นภาษาคนพระเจ้าภาษาธรรมคือธรรมะพูดไอเห็นธรรมพู้นั่นเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทพูดนั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นอาการหลักต่อมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอย่างนี้เพราะหลงมันจึงเกิดไหลขึ้นมาถ้าไม่หลงรู้จักตัวมันก็ไม่เกิดเพราะฉินี้มีฉิ่งนี้จึงมีแล้วก็มันก็มีวัตถุอาการในโลกนี้ในกายในใจเรานี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบ เราไม่มีหลักก็พัดไปเปลิวไปล่นเปลิวไปนี่ไม่มีหลักกรรมฐานไม่ที่ตั้งไม่มีภาวนาขยันไห้ลู้ไววอาจจะขยันหลงอ า, อาจจะมากกว่าขยันหลงลองดูจิเวลาเราใส่ใจถิ็นลู้สึกตัวโดยวิชากรรมฐานเคลื่อนไหวสัมปัชยบัพะสิบสี่จังหมะ มันลู่ทุกจังหวะไหมจโจมงหนึ่งประมาณสองพันหกร้อยลูกมันลู่ถึงสองพันหกร้อยลูกไหมเคยมีไหมขยันลู่อย่างเนี้ยวินาทีละลู่เนี่ยเดินเ้มือนกันอาจจะไวกว่าการซักจว่ว เดิน่ช่วโมงหนึ่นจะเป็น5 0 0 6,000, เก้าหนึ่งก็ลู้ชิกและลึกได้ถึง 5,000, 6 0 0กันลู่วนรอบ9ก้าลู้ชึ 9, กชไปเรื่อยๆจา ก, กวัด ป, ป, ป่าจุกโตไปพู้กทง ยาวสลากไเดินนอดไปทางสะพานเขนนวลแต่ก่อนไม่มีถนนสายนี้บ้านนี้เป็นเกาะเวลาน้ำท่วมไปไหนไม่ได้น้ำลําบวนเทามันขวางขั้นไว้หมดเดินยาวสลากไกไปถึงประตูวัดภูกรทองห้าพันสามล็กไก เกต๙หรือห้าพันสามรอยสิบเกนับทุกวันเพราะอยู่คนเดียวสองวันตีตอนเช่าว่าฉันตอนเช่าฉันห้าเท่านั้นแล้วก็มาเดินมานี่มาดูหน่น ด, ดูนี่ตอนเย็นอาบน้ำแล้วเอาผ้าผาดไว้ท่านน้ำให้คนได้เห็นว่เถราอาบน้ำตากตรงนี้ยังมีพระอยู่ ก็ย่อมข้มาก็เดินกลับไปวัดทูกขท อ, องเดินทุกวันก็หัดลูบไปลูบไปลูบไปลูบไปหัดทุกลูบแบบเพื่อกับการชำนาชำนาญเป็นศาสตร์เป็นชินในการใช้กายมันก็สนุกดีเป็นใหญ่ในกายเป็นใหญ่ในใจ แตินี่เครื่องความรู้จักตัวนี่เราไม่หัดก็ไม่เป็นอาจจะหลงเกิดมาถึงวันนี้ปุณ น, นี่ความหลงกับความรู้มันเป็นอย่างไรให้ความเป็นธรรมต่อกายต่อใจไหมกายใจจะรับความเป็นธรรมไหมเมื่อไม่มความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับกากับใจ มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ ข, ข, ของตัวเองก็ไม่ได้เมื่อคลองตัวยังไม่ได้ก็คลองคนอื่นก็ไม่ได้ครองงานครองการก็ไม่ได้คลองศาสตร์ศนาก็ไม่ได้ปิดผนึกเป็นปัญหาต่อตัวเงแล้วคนอื่นต่อครอบครัวต่อปรเทศชาติต่อโูก ไม่มีโลกกับวิถีไม่มีโลกกับบางคุ้มของโลกก็คุ้มของตัวเองได้ความเป็นธมเกิดขึ้นในเราแล้วก็เปิดความไม่ทธรรมต่อไปเรื่อยๆไปเราจะมาเประกันน่าจะขอบคุณความหลงน่าจะกดข่มความทุกข์น่าจะขอบคุณความโกรธ ความโลภกิเลสตัณหาหลาาักแล้วก็เลยสูงขึ้นไปเพราะเรื่องนี้ถ้าไม่มีเรื่องนี้เราก็ไม่สูงไม่ชืว่วมนุษย์ใจสูงมันจริงเหนื่อเจอเจอ็บตายเพราะมันมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นทุกข์ นี่หลงเป็นหลงกว่ามีทางเคยเจอเจ็ บ, จบตายเวียนว่าเธดยเกิด อ, อยู่นี่จะหลงเป็นลูกเธอหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลูกมันก็เหนือไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันลาดขึ้นไปง้ถ้าจะเปรียบเหมือนกันมักผลนิพพานอยู่ชุ้นสูงมันมาใช่หน้าผาปฏิบัติธรรมาทาั้งแนวลาดไปง่ายๆอย่างนี้ ถ้าหลงเป็นลูกโกรธเป็นลูกทุกข์เป็นลูกลอะไรเกิดขึ้นมาเป็นลูกไปทางนี้ถ้าหลงเป็นหลงเป็นหน้าผาไม่ชันขึ้นไม่ได้ให้ลาดเองปฏิบัติทําให้ลาดง่ายเยียงง่ายขึ้นง่ายผ่านง่ายการไปห้ามหลงห้ามา ม, มโกรธรับไปได้ <c oughs> ไอ้ลูกเตัวจแล้วมันทุกข์กบลู้สชกตัวเนี่ ย, ม, ยมันลาดแล้วเห็นเหมือนทุกข์ไอ้เป็นผู้ทุกข์คนจากทุกข์ง่ายอย่างนี้หลงเป็นหลงก็เป็นภบ เ, เป็นชาติไปก็ไปอย่างนี้กันทุกชีวิตนั่นแหละ ทำเดียวกันแทเดินทางสายเดียวกันไปคนเดียวไปสู่ที่เดียวกันคือไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ชาติวันนะปฏิเนกาเพศไห้โดยทั้งสิ้นศาสนาไหนทั้งสิ้นเรามีกายมีใจเหมือนกันหมดคนในโลกนี่ต <c oughs> กแสงแดดก็ร้อนหลองฝนก็หนาวเหมือนกันหมดจึงเป็นไดเดียวกันเนี่ย ชาติใดภาษาใดคนแก่คนหนุ่มนักปวดทละว่าเจ้าจมหลงกันเดียวกันโก ก, น ก, นกกันเดียวกันทุกคนเดียวกันวิธีแก้ก็อย่างเดียวกันสติตอย่างเดียวกันอะไรมันยากมีรวามแล้วเนี่ยในความหลงก็มีความไม่หลงอยู่แล้ ในความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่นั่นแล้วในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่นั่นแล้วมีสิทธิเปลี่ยนได้ในโอกาสนั่นแล้วคราวเดียวกันนั้นไม่มีใครมาแย่งไม่ต้องขออนญาตจากใครไม่ใช่ไปถามใครตอบได้เองมีสิทธิได้เองเรามาปฏิบัธรรมมามีสิทธิร้อยเปอร์เซนในเรื่องนี้ เราก็ให้โอกาสเจาะกันแล้ลวกันเวลาเช่าเกษตรข้องมารวมกันให้โอกาสให้สัญญาเพื่อจะได้ไม่ประมาทแล้วก็มาแสดงทําให้ฟองเพื่อให้เกิดเครื่องมือในการปฏิบัตินําไปปฏิบัติเพียงพอ พูดอย่างนี้เอาไปแช่ได้ตลอดไปเลยไห้เย็นแนละ้วทุกคนอย่างนี้ในความโกรธก็มีความโกรธนะสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ ท, ทุกข์ก็มีในโลกนี้ทาไมจึงไปอยู่ตรง น, นั้นมามาทางนี้มาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําึิดสามมายอย่างนี้ มาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่เป็นน้ำจงละกวามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวนลก็ถึงมรรคถึงผลเลยง่ายมาแบบนี้มาง่ายๆก็จะหนึ่งวันเจ็ดวันก็ได้ถ้าหลงเคยรู้มันทุกเคยรูหวันก็เคยรู้ง่วงเคยรู้คิดคือรู้ ง่ายๆอย่างนี้ดวนชักหน่อยอย่างนี้เหมือนกับถางดวนๆอย่างนี้ถ้าสุ ก, ก็รูทุกก็รูดสงบก็รูฟงซานก็รูผิดก็รูถูกก็รูอย่างเนี้ยมันจะด่วนมากทีเดียวเลยแม่หลงเป็นหลงหรือรถแม่ค้าขายผักเหมืนรถไฟรถแม่ค้าจอดทุกสถานี ไม่ใช่รถด่วนรถเร็วรถอะไรเขารถตาเคปนลางรถเร็วไวที่ประเทศจีนชั่วโมงหนึ่งสองรอยหกสิบกมถึงสามร้อยกมชั่วโมงหนึ่ง ไม่มีประเทศไทยหรอมีประเทศไทยก็ลังจะทําทำแบบนั้นนแต่ว่าก็เศร้าหมองนะทางที่ได้ถไวัยวิ่งผ่านลเศ้าหมองเงียบเงีมบการค้าการขายเมืองต่างๆเงียบเงไปเลยวมันไม่จอดเราจอดเบืองใหญ่อย่างคนแน่นกันเบียดกัน มือเล็กๆน้อยมข้าหัวไปเลยก็ดีแบบหนึง่งแต่มันไม่ดีแบบห น, นึ่งีดร้อยด่วนฟรีเวยปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานนี่ฟรีเวยมีแต่ไฟเขียวผ่านได้ตลอดรู้จักตัวรู้สึกตัว รู้จักระลึกได้รู้จักตัวเนี่ยแล้วก็ประกอบอยู่เนี่ยที่ชีจังบาทงรูเอารูโอนีอ่ไม่ใช่ว่ารอให้อะไรถูกจะก่อนงั้อนอวดดื้อแล้วก็ใช้เงยน ไล่ไม่ไปต้องไม่เลี้ยวตีลงไปให้ถูกซะ ก, ก่อนจึงค่อยไปดื้อไปกนันถ้าไม่เลี้ยวถูกแล้วยังไม่ไปให้เห็นเลือดออกซะก่อนยังไปหวังทีก็ดื้อมากไปนันถ้ายังไม่ล้มก็ยังไม่ไปหรอกเจ็บขนาดนั้นก็ยังไม่ไปัวดื้อนยาก เหมือนพระเจ้ากับพระราชาถามกันพระเจ้าเปนนักสอนแต่พระดาล้มรดูดทั้งหลายสอนได้หรือสอนได้หรือสอนได้ทุกคนไหมสมบ้รณ์ทาบพวกท่านสอนสอนไม่ได้ท่านทำยงไงข้า ถามพระราชาก็เมื่อม้าของท่านมันดือ้อสอนไม่ได้ท่านทางานห้าทิ้งเราก็ฆ่าเหมือนกันข่าเคยทำงานที่ไม่บอกเองหยุดบอกท่านนั้นแต่พระราชาฆ่าบ้าทว น, น, นทิ้งไปมันจะมีเชื่อมีลูกมันจะเป็นเมื่อที่ไม่ดีฆ้ามันให้มันสายศูญมันไปแต่พระเจ้าฆ่าคือไม่สอนอีกเช่นบอกพระสงฆ์เรื่องพระนันทะ พระฉันนะจนปฏิพานแล้วพระสงฆ์ทูลถามจะทำอย่างไงกับพระฉันนะเนี่ยทําไมจะดื้อขนาดนี้มา ก, กเจ้าปฏิพานไปแล้วทํางไรเจ้าบอกว่าหยุดเถอะอย่าสอนบ่อยทิ้งแบบนั <c oughs> <c oughs> ่นคือข้าอนี้ก็บอกกันอยทุกวนันทุกวนันเพื่อนจนมิตรกันอยู่อย่างนี้ อยู่เละกันอยู่ช่นนี้แล้วก็ไปทำเอาไปทำเหรือแต่การกระทำเท่านั้นพระเจ้าก็บอกก็สอนไม่มีตรงไหนขาดตกบกพ้องเลยอเลยเกิดกับเราพระเจ้าเห็นหมดเราเรียกว่าเออพระเจ้าก็ผ่านไปนี่เนอหว่มอม่หงออนอนพระเจ้าผ่านตรงนี้ กลองคิดทุ่งซ่านพุทธเจ้าก็ผ่านตรงนี้วิเดตนหาหลักะไปบาทเกิดขึ้นเอาพุทเจ้าก็มีผ่านตรงนี้ต้องคิดพุทเจ้าต้องคิดสมัยยังเป็นพุทธเจ้าเป็นสิทัตถะเป็นสามัญชนก็มีลูกก็คิดแบบคนมีลูกคนมีเมียคิดแบบคนมีเมีย คนเคยมีประสาทสามแล้วดูก็คิดแบบนั้นจะมาเทียบกับต้มไม้แผ่นดินได้ไง่ายก็ต้องคิดถึงว่าดีว่าเหตุผลยังไงแต่ไม่เอาเหตุผลที่นั้นเอาความรู้จักตัวก่อนกลับมานี่ก่อนพอเหตุผลก็เชื่อได้เป็นยาน ธรรมะวิจยะสอดส่องนะนั้นมันกายกายเหตุผลไปแล้วโยนิสงฆ์มรดิการตริตองเป็นญานไปแล้วนะั่นประคิดแบบนี้ไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดหาเหตุและผลคำว่าโยนิสงมรดิการนะติตองพิญญาเห็นสิ่งที่ดีที่ชอบโดยโดยว่าที่ชอบคิดหทาทั้งจริงที่ดีที่ชั่วโดยว่าที่ชอบ มาดูว่าโยนี้โสทำไม่พอใจคือการขบเคี้ยวควงโกรธกับควมไม่โกรธไหนบนดีเคี้ยวดูสิสัมผัส ด, ดูสิสัมผัส ด, ดูแล้วมัน ม, มีประโยชน์ความโกรธความไม่โกรธดีกว่าเหมือ น, นกับกินอาหารเวลาเคี้ยวเวลามีกระดูกมีก้ดดกกางป่าก็ขบดูแล้วมันไม่ไม่ใช่อาหารขายออกนี่เรียกว่าสำมันจะเรียกว่าอยู่นี่ แต่ว่าธรรมวิจยะชดสองขบเคี้ยวอย่ากลืนความหลงไปในกายในใจอย่ากลืนความโกรธลงไปในกายในใจอย่ากลืนความทุกข์ลงไปในกายในใจเมื่อเกิดโลูกมันจะมีโลกโลกูโลกโรคหนอมลกูกลูกทุกข์หนอมทุกข์เกิดเจ็จะบตาย พเจ้าประกาศแล้วนีอวโลขยะประมาลาพาความไม่เบโลกเป็นลาบ ป, ประเบิดคี้โลกอย่างนี้อย่ากลืนไม่คลืนอีกแล้วความหลงไม่คลืนอีกแล้วเป็นวิลาคาจ้างขายไปเลยเอาไม่ได้หวังขับให้โกรธไม่ได้คนนี่หนานัากคนนี้หนาชังไม่ได้เด็ดขาดไม่แบ่งแยกคิดไม่แบ่งแยกเป็นบวกเป็นลบอีกแล้ว ชื่อูชื่อๆต้องกลางๆไปดิเป็นทําอยากบ้างเลยเอาไหมเท่านี่ยมันหมดเสียงแล้วนะสมขวรจะเวลากับพระพร้อมกัน